ตั้งใจฟังเรื่องทีกสุขเป็นไงแม่ยาโยนพอต้องตั้งใจฟังหากค่อตั้งใจฟังแล้วมันก็จดจําไม่ได้เมื่อเราตั้งใจฟังแล้วการจดจํามันก็จำได้เมื่อจําได้เราก็ต้องนําไปปฏิบัติให้มันถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่เราตั้งไว้นั้ วันนี้เป็นวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์2528พวกเราได้นัดหมายกันว่าจะมาปฏิบัติธรรมมา ต, ตั้งแต่วันที่20วันนี้เป็นวันที่21วันนี้เป็นวันที่22 ตอนทมวัดเตาวันนี้ก็จะมาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เข้าใจในคาหมายเอาไว้การเจริญสติจเจริญสมาธิเจริญสาิมีพ่มีแมากที่สุดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างหาประมาณไม่ได้และก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุด <c oughs> ทำไมก็ ม, มีค่ามีขุนมากไม่มีหลักทำไมจึงสิ่งที่น่าอาัศจรรย์มากผิดเพราะไม่เคยเจอไม่เคยมีไม่เคยรู้ไม่เคยเหนี่มันเจริญสติเจริญกสะมาี่จเจริญปัญญาทาคนรู้สิทธิ์หรือทำคนจริงหรือสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้น สิ่งที่ไม่เคยเห็นมันก็เห็นขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยเป็นไม่เคยมีมันก็เก็นก็มีขึ้นมาเพราะการเจริญสติเพราะการเจริญสมาธิเพราะการเจริญสมาธห ร, ร, รือมากเพราะการทำพรมรู้สึดตัวทำพรมติดตัวนี้เองเมื่อพูดตอนนี้ก็พูดทางเหตุและผลไปด้วยกัน นมีีดอยากเข้าใจว่าจะไปรู้นอกตัวอย่างเจริญสติเจริญสมาธิแบบนี้แต่วิธีอื่นนั่นเองไม่ติดางนวิธีอื่นทามาแล้วมันไม่ติดอย่างนี้คี่เราเข้าใจวิธีนี้มันเป็นอย่างนี้คือที่แรกมันต้องรู้ตัวเองรู้เรื่องรูปเรื่องนามไม่เละพูดคนมเกลียวนี่ยละไม่จับ รู้เรื่องลูกเรื่องนามเรื่องลูกทำนามทำเรื่องลูกโลกนามโลกเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาแล้วก็งรู้สมมุติสมมุติอะไรรู้ให้หมดทีเดียวสมมุติสีสมสสมติเทวดาสมมุติพระอินสม ial, สมุติพระพุทธเจ้าหรืสมมุติพระอรหันสมมุติพวกอบ่างกำนัก น, น, นกำหนจทหารสมมุติอันไดรู้ให้หมดนี่มันต้องรู้ไปถึงข bon ั้นจินตนาการําดับนี้ แต่สอนแม่สื่อลูกอย่างนี้เมื่อลูกสมมุติดีแล้วของการลูกศาสนาศาสนาก็มีมากศาสนาปฏิวคําสอนใครรู้กยังอดออมนี้นันมาสอนมีมากศาสนาพีชศาสนาเทวดาศาสนาอานศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาพุทธศาสนาอะไรก็ตามมันเป็นเพียงลัทธิของศาสนานี้ จะไม่เรียกว่าศาสนาจะได้มีวลัพทิกจได้แล้วก็รูปพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนหรือศาสนาคือตัวคนทุกคนเนี่ยเป็นตัวศาสนาพุทธศาสนาคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเขาเป็รูปตัวเราหรือตัวตื่นตัวทุ่รู้สิบตัวน่ะเป็นตัวพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาแปลว่าที่พึ่งพึ่งตัวเองได้จริงๆแบบนี้ เมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้บากรู้บุญบาปก็ไม่ใช่มีตัวมีตนบุญก็ไม่มีตัวไม่มีตนบาปก็คือมืดโพูดอย่างบาปคือมืดบาปคือไม่รู้ทิศทางใ่บาปคือไม่สลาดตัวเองบาปคือโง่แบบนี้ก็ได้บาปคือไม่รู้คนไม่รู้ทิศทางเนี่ยจะเดินไปที่ไหนมันจะถึงได้ คนมืดมันจะเดินได้ทำไมเดินไม่ได้ก็เลยจบภาต้นอันนี้เป็นผลของการเจริญสติเป็นผลเหตุของนั้นคือทำควมรู้สึกตัวที่ว่าให้ทำความรู้สึกตัวบ่อยๆเคลื่อนไห้โดยวิธีใดก็ให้รู้ยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้ผู้เหยียดเคลื่อนไหโดยวิธีใดก็ให้รู้เหมือนกันกับอย่างที่ปรูพิ๊กเจ้าท่านสอนว่า ให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอุปยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนและให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอรปยาบทย่อยคู่เหยียดเคล่นไหวพวกเราก็ต้องหาวิธีมาทําวิธีของมันก็คือเก็บมือเข้าเอามือออกเดินจมกองก็เดินหน้าฝอยหลังเดินอย่ตรงตรงหัวเอียงซ้ายเอียงขวาเข้มงว คิดตาหาใจอ้าปากอะไรให้มีสติเขาไปกำหนดรู้ mm hmm. เมื่อกําหนดรู้สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาจริงจริงเป็นไงเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาก็มีความรู้อีกประเภทหนึ่งที่มันรู้นอกตัวตอันนั้นจะหลงตัวอีกแล้วลืมตัวอีแล้วมันเกิด<ต>ดีใจขึ้นมาเราต้องเลิกละกับความรู้สิ่งที่มันนอกตัวเรา ครับเข้ามาทําความรู้สึกตัวเราอีกเหมือนเดิมอันนั้นก็หายไปคมรู้ที่มันแยบเข้ามามันก็หายไปทำควมรู้สึกตัวทำควมตื่นตัวให้ทําอย่างนี้มันนึกมันคิดขึ้นมาประเดี๋ยวเราให้รู้เราให้เห็นแับ น, นี้มันเป็นสองเรื่องเข้ามาเลยที่แรกกําหนดมันเป็นรูปตายเคลื่อนไหวที่มองเห็นแบบนี้ที่มองไม่เห็นว่าให้มันรู้กันให้มันเห็นใหามันเข้าใจที่ใจเห็น ใจรู้ใจเข้าใจผลขอมันจะเปอย่างนั้นเมื่อมองเห็นจิตใจบางครั้งก็รู้ทันบางครั้งก็รู้ไม่ทันมันเป็นธรรมดาคนเราฝึกหัดฝุกหัดดูความคิดตัวเองดูไปเรื่อยๆทันกระดูไม่ทันก็ดูไปบางครั้งก็หลงบางครั้งก็ไม่หลงบางครั้งก็ลืมบางครั้งก็ไม่ลืมทางภา ษ, าษาธรรมะเรียกว่าโมหะ อาสาพื้นบ้านหรือว่าหลงลืมมีือจิตลืมใจลื ม, ล ม, ลมชีวิตตัวเองดูอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อดูอย่างนั้นจะเห็นต้นตอของความคิดเดียววัตถุมันให้ตัวมันเองมาวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายนอกและภายในที่มันมีแล่เองเรียก ว, วัตถุทั้งนั้นตามมา ปัจจรมรกรมหมายทงกำลังมีอยู่เป็นอยู่กำลังสัมผัสอยู่เมื่อปัลจรมรอาการเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของสสารุภาวะของมันเป็นอย่างนะั้นต้องเห็นต้องรู้อย่างนี้เรีวยว่าผลของมันผลของการเห็นแจ้งถึงแจ้งดูจริงเมื่อเห็นเจ้นนี้ก็มันสแสดงลวดลายออกมาคือโศกโมหะโลค ใครมีโทสะมากโทาสะเ์ขึนหน้าใครมีโมหะมากก็โมหะขึ้นหน้าใครมีโลภามากก็โลภขึ้นหน้าอันนี้ไม่เหมือนกันที่ได้พบเห็นประสบมาเคยได้พูดกับเพ้เพเพื่อนของเรามารับลองบอกว่าเป็นอย่างนั้นทุกคนเด็กๆ ก, ก็เป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้ผู้หญิงผู้ชายเป็นทั้งนั้น้าทสงองค์เจ้า ก, ก็เป็นทางนั้นถ้าจเจริญสติแบบนี้ จเจริญสมาธิแบบนี้จเจริญปัญญาแบบนี้ทำความรู้สึกตัวแบบนี้ทำควมตื่นตัวแบบนี้ต้องรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ถูกต้องและก็เจริญอย่างอื่นก็ไม่ไม่เห็นอย่างนี้ใครทำอยู่ที่ไหนก็ได้จะถือศาสนาไหนก็ได้ไม่มีศาสน า, าก็ได้ถ้าจเจริญแบบนี้เมื่อโทสะโมหะโลภะจางไป คือใเวทนาสัญญาสังขารไม่ทุกแต่มีอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ทุกมันไม่มีการดูดซึมกันเหมือนกับแม่เหล็กเมื่อเรายังไม่เห็นสภาพวัตถุอย่างนี้เหมือนกับเอาแม่เหล็กดงกึงไปแก่ไปเด็กเตะเด็กเหลืออยู่ตามบริเวณนั้นมันจะมาติดเอาพ่วงเอากับแม่เหล็กไปทั้งหมดมันหนักดึงไปไม่ไหว แันนี้เมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนกับแม่เด็กเนี่ยไปฆ่าฆ่าเกลือแม่เหล็กเนตายแล้วนักเอาเห็กอันเดิมนั่นแหละลากไปตามบลีเวทที่เด็กเฟลเด็กเรือเนี่ยมันจะไม่ติดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเคยเปียบเคยอุปมาให้ฟังเหมือนกับปิงที่มาออกมากินเลือดเรากินเนื้อเราปิงนันจับเรา ตันนี้ทีศแรกเราดึงออกมือเนี่ดึงจับปิงดึงออกจากเนื้อเรามันไม่อยากหลุดมันไม่ออก เ, เมื่อออกมาเลือดมันก็ออกมาด้วยที่อาตมาเคยทดลองมาตัมเมื่อเป็นเด็กๆเขาจัไปสมัยนั้นก็ะตมการทํามาหากินก็ไปตามน้ําตามคลองก็ปิงจับเแื้อทํานาทําอะไรมันก็ปิงจับทางบ้านอาตมามีปิงมีทากมากกัน เมืองเราเขามีภาคบ้านเราก็มีปิงอันนั้นก็เยกว่าภาคคือมันอยู่กับดงในป่าลึกๆดงใหญ่ๆก็มีภาคปิงปัด น, นี้รู้จักทากรู้ปิงจับเราแล้วเอายากับปูนไปผสมกับน้ําเอาน้ำปูนกับน้ำยาเนี่ยมาบีบเป็นเนื้อเราพอดีน้ําปูนกับน้ำยามันแทรกซึมเข้า ก, กับเนื้อเราแล้วแบบนี้ปิงกับภาคเห่านั้นมันลุดเองมันอ้ว มันก็หดตัวเข้ามาก็ตายไปเลยถ้ามันดูจิตนั้นไม่ได้มันตายมันหนีไปอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านั้นรู้ชัดๆจริงๆแล้วปลากฏขึ้นมาจากธรรมชาติขดของมันเป็นอย่างนั้นเดีหรอมันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเปลี่ยนอนัตตามันเป็นขั้นเป็นตอนมาอย่างนี้เรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตาเมื่อเรารู้จักรูปน้ำนะก่อ รู้จักโล ก, โลกนามโลกโลกเปรตวุมทุกแล้วก็รู้จักทุกขังอันนี้อย่างนักตาเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันรู้จักอย่างนี้ก็รู้จักทุกขังอันนี้อย่างนักตาที่ตรงนี้น่าติงนะอันนี้เป็นผลของการเจริญสติผลของการเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือเป็นผลของการเจริญความรู้สึกตัวความตึงตัวผล Behind. มันจะปรากฏออกมาในทํานองนี้ พระพุทธเจึงสอนว่าเราไปถึงแล้วแห่งนั้นด้วยแห่งนี้จึงนำมาสอนพวกเราผู้ใดทําอย่างเราปฏิบัติอย่างเราก็จะรู้อย่างเราจะเห็นอย่างเราจะเข้าใจอย่างเราัา่น่อย่างนั้นแต่เมื่อไม่ทําอย่างเราจะไม่เห็นอย่างเราจะไม่เข้าใจอย่างเราทรงสอนอะไรดังนั้นพวกเรามาทีนี่ก็ต้องเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญา หรือทําความรู้สึกตัวทําความตื่นตัวแบบเดียวกันต้องรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็วเรียกว่าถ้าพูดตามตัวหนังสือก็เรียกว่าขั้นต้นเราจะรั่วเราเป็นพระได้ที่ตรงนี้พระไม่ได้หมายถึงมีอุปสาอาจารย์บวชให้รับรองให้ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้ตัวมันเองรับรองมันเองพระแปลว่าคู่ประเสริฐ หรือถ้าเดียร์ครสอนต้องสอนเรามีความรู้อย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้ปอย่างนั้นต้องสอนคนทุกคนรู้ได้อันนี้จะเป็นคนจาติไหนภาษาใดถือศาสนาไหนพอตามไม่มีศาสนาพอตามรู้ได้เหมือนกันแต่ให้ลูกภาษากันพูดให้รู้เรื่องกันไปอย่าง น, นั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วแบบ น, นี้ก่อนเลยทำไม่นานเหมือนกับเรา เอาน้ำเทใ ส, ส่ตุ่มตุ่มน้ำหรือแองน้ำไม่แย่ว่ายังไงก็ได้มันก็ลดน้อยแต่แล้วก็ตักน้ำมาเทเขานะนั่นนะความเทียนะต้องเล่งเขาให้มากที่สุดทําควมตื่นตัวควมรู้สึกตัวให้มากที่สุดเรียกว่าปฏิบัติอุกิจปี่าเทือกเปิดพวกสำหรัปฏิบัติอุกิจต้องเล่งควมเทียนอย่าข้อถอยไปไหนมาไหนต้องทํำควมรู้สึกควมตื่นตัวอยู่เสมอ ก็เลยรู้เห็นเข้าใจสัมผัสได้อย่างที่เยาวากิเลสตัณหาอุปาทานกรรมเราเคยพูดกันอย่างนี้แต่เห็นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ตาอันนี้เห็นตาใจหรือตาปัญญาหรือจักสุหรืออินเตแล้วจะแก้พูดกันเรื่องว่าญานปัญญาหรือว่าตาทิพย์นี่จะพูดยังไงก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติจิงหวังให้รู้จักสมมุติจริงๆ อันนี้เรียกว่าเป็นเป็นขั้งที่สองถ้าพูดกับตาราเขาเรียกว่าเป็นผู้สิญญากาคือว่าขั้งแรกก็จ้องเป็นปะสมมาสารผู้สัญญาการตระสัญญาการจาตุจทศการปัญจมาารมีระดับอยู่ห้าระดับด้วยกันที่นํามาเล่ากลุ่มจริงสู่กันฟังในวันนี้เพราะว่าทุกคนต้องมีจุดหมายปลายทางเดินไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนเราจะไปเห็นจะไปรู้แต่พระพุทธเจ้านั่นตายแล้วเจ้าสายจีนสักุมารแต่คําพูดของท่านยังไม่ตายตัวของท่านก็เหมือนกับคําพูดของท่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าคือวันนี้เราก็ยังไม่พ้อถอยถึงเวลาต้องคิดถึงคือต้องรักต้องคิดถึงพยายามปาณีปานอมอาไลอาวรนเราไม่ ไม่วางภุลหน้าที่อ น, นันทิ้งเราต้องพยายามทำความตื่นตัวลูกตึกตัวอยู่เสมอดูจิต ด, ดูใจเราอยู่เสมอทำไปเรื่อยๆไปเลยเมื่อทําเส้นนี้เราสิ้นปรากรบขึ้นมาสิ้จึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยา ก, ยากสมาที่จึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอยากกา่างกลางปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเพราะกิเลสอย่างห ย, ยากมันมันจืดจางไปแล้ว จึิงจึงแสดงขึ้นมาให้เห็นที่กิเลย์ยา ง, ยงมันไปกบคล้ายๆคือเรามีของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเอาเอาขยะหรือเอาอื่นไปกบไว้ไม่ใ้มันเห็นหรือกับดวงอาทิตย์ก็ตามเรจะเตียบไปไฟอย่างที่เราอยู่กันเดียวนี่ก็ตาเอาไปบังไว้มันไม่เห็นรอดไฟล้วก็เลยเอาอั น, นเด็กสโลมไว้แสงไฟมันก็ไม่ทะลุกออกมาเมื่อเอาสิ่งนั้นออกไปแล้วแสงไฟมันทะลุกออกมาได้ มันก็มองเห็นได้สว่างดีดังนั้นศีลจึงว่าเป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจเมื่อคนใดมีปกติกายมีปกติวาจามีปกติใจแล้วศีลมีแล้วไม่ใช่ศีลไปรับเอาจากพระจากเมนรจากคนใดทั้งหมดเลยที่แรกอาจจะมาเป็นเด็กๆพอแม่สอนให้ฟังว่าถ้าเราต้องการศีล ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเน่งก็ไปสมทาทานออกกับพระก็ได้เนะ่ยพระพุทธรูปเนี่ยท่านให้สิ้นนั่นองอุญาตให้สิ้นสิ้นอันนี้แหละน่าคิดมันเข้าไปในมันสมองคำพูดของพ่อแม่เราให้ฟังเมื่อพุทธศาสนาล่วงไปได้ห้าพันปีเนี่ยทนันายสั้จะมืดตึ๊บมืดเลยทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนทนันไ้ พอได้มืดตึกบเข้ามาเลยเดินไปไหนมาไหนไม่ได้หากินก็ไม่ได้พ่อแม่ก็ไม่รู้จักกันรู้กับไม่รู้จักพอ่อไม่รู้จักแม่เลยพี่น้องเพื่อนพวงไม่รู้จักกันทั้งหมดมันมืดเหมือนกับคนอยู่ในถ้านี่เลยการทำมาหากินไปไม่ได้เจ็ 7, 7, 4, ดวันเจ็ดคืนเลยวันนี้คนมันไม่ได้กินอาหารหมดเดินไปไหนมาไหนคนอะไรตำอัไดกินไปทั้งหมดเลยกัดกันกินกัน บันนี้ได้เจ็ดวันแล้วมีเทวดาองค์หนึ่งมาเปิดโลกหรือพระพุทธเจ้าจะมาเปิดโลกก็กเลยทำโคตว่างแจ้งมีแสงพาทิขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันคนใดได้ไปฟังธรรมข้างนั้นแหละข่าวนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าแสดงรธรรมพระโคธรลูกเนี่ยอาจจะมาเข้าใจอย่างนั้นแต่ไม่เข้าใจแหละพ่อแม่เราให้ฟังพระพโคตรลูก จะเป็นผ้าไหมก็ตามพระทองก็ตามจะเป็นพระ อ, อิดผ้าปูนก็ตามมีดวงจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปสิงอยู่ใ น, ท, น, นที่นั้นเท่ากับเป็นนาพอเราให้ฟังแม่เราให้ฟังปู่ย่าตายายก็เคยเล่าให้ฟังอย่างนี้เมื่อถึงระยะนั้นเวลานั้นพระพุทธ ร, รูปด้วยจะเป็นเจดีย์เป็นอนัตตก็ตามแลหละเหาะเข้าไปรวมตัวกันเหาะไปทั้งหมดเลยไปถึงที่นั้นแล้วนะก็รูปอนัตต์แตกออกไปหมด ดวงจิตวิญญาณจะมารวมตัวกันเข้าเป็นลูกเจ้าชายศิทธาภุ ม, มาระไรอย่างนีน้แล้วก็จะแสดงทำให้คนฟังเจ็ดวันเจ็ดคืน น, นแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระเรียบบุคคลเป็นพระโสดาบันหรือผู้มีปัญญาก็ได้เป็นพระอรหรันต์นั่นคือย่างไผู้ที่ยังปัญญาน้อยที่สุดก็เป็นมนุษย์หรือบุคคลที่ไม่มีปัญญาจริงๆก็ยังอยู่เหมือนเดิม อันพระตอนนี้นั่นมันห่อไปไม่ได้ห่ะไปไม่ได้จริงๆ ร, รับรองได้อันนี้พระอันนั้นนะ่ะพระจะกลัวพระไม่พระอีกพระกูก็คือตัวคนนี่เองมันไม่ใช่ห่ะมามันเดินมาได้ยังเปิดอบรมริปัาสนากลุ่มศึกษาปฏิบัติธรรมพวกคนวุฒิใสาเปิดอบรมเมื่อวันที่ยี่สิบเดินมาได้ยินกระซิบหูแล้วก็มา อ, นนอ า, าอันนั้นอย่าพระอันนั้นอย่ คือตัวคนนี่แหละเป็นพระพุทธลูกอันนั้นแล้วฟังคนใดมีสติปัญญาแล้วก็ต้องประบฤติปฏิบัติตามก็ได้ดวงตาเห็นธรรมไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะเพราะว่าคนที่พูดที่สอนก็ต้องพูดของจริงสู่กันฟังและคนที่ปฏิบัติตามก็ต้องปฏิบัติของจริงนันก็เลยเป็นจริงขึ้นมาอย่างนั้นดังนั้นที่นํามาเล่าให้ฟังมันเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่จะพูดลวกเละไปไอ้นั้นจริง มันไม่จริงจริงน้อยที่สุดดังนั้นการทําบุญการรักษาสิ่อันใดทั้งหมดมันจะมารวมลงมที่จุดนี้เคยพูดให้ฟังว่าน้ําฝนที่มันตกลงมาจะไปตกอยู่ภูเขาที่ไหนก็ตามมันจะค่อยแสกชุ่มลงไปพื้ดินมันจะไปสู่ทะเลทั้งหมดดังนั้นคนเราทุกคนนี่แหละถ้าเดินไปแล้วไม่ไม่นานถึงจริงๆริงแก้ว จากฟ้าหรือเล็วนั้นไม่เหมือนกันดังนั้นขอให้ทุกคนจ้งมั่นใจไว้ในการกระทำควา ม, มรู้สึกตัวคนตื่นตัวนี้่ผล ม, มันจะมาอย่างนั้นเมื่อสินปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็รู้เลยรู้เรื่องสมถะกรรมฐ า, านรู้เรื่องพวกอาลารดาบทอุทะขาดาบ ท, ธธาาบทเรื่องสมาบัติจิตสมาบัติใจเรียนรู้จริงๆเข้าใจจริงๆโดยไม่ง้องแงงคอนใช่หรือวะ พึตัวเองได้จริงๆอันนี้เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ท่านลงมาแล้วท่านก็มาสอนพวกเราเพราะว่าท่านไปเห็นวนะ่ะเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจก็มืดบอดวกวนเป็นทุกข์ทรมานอยู่เหมือนกันกันกนกบเรานี่แหละดังนั้นพวกเราก็เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านจิตวิสัทธ์ภาพหรือสภาวะดั้งเดิมเหมือนกันเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว มาสอนคนคนที่มีความตั้งใจจริงก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันกันกบท่านอัญวาท่านจีวะสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตอัญวาท์อย่างนี้คนไม่เข้าใจไม่ใช่สัตว์ในลาสารคือสัตว์มนุษย์อินเดยเป็นพระเจ้าขึ้นมาวาอย่างนี้ไม่เข้าใจทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหรืคือกันกับเราตรถาคตเหมือนกันแต่ขอให้เราทุกคนตั้งตั้งใจปฏิบัติเป็นยังไง เมื่อรู้จักสมาทากรรมาฐานก็รู้จักคนสงบเนี่ยเพราะสมาธิเป็นเครื่องกําจัดจิเลสอย่างกลางแล้วเนี่ยสมาธิไม่ได้เป็นนั่งเงียบสมาธิคือควาตั้งใจดูความคิดภาวะความคิดมันจะเข้าไปสงบอย่าให้มันไปสงบให้มันมีความรู้สึกความตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยสมาธิตัวนี้คือมันสงบจากความไม่รู้สงบจากโทสดาสงบจากโมหะสงบจากโลภ คือมีสติตัญญารู้เท่ารู้ทันรู้จักการรู้จักแก้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักอย่างนั้นดังนั้นที่มาปฏิบัติจึงว่าไม่มีการพูดกันมากตอนทำวัดเท้าก็ต้องให้ขอคิดตอนทำวัดเย็นก็ให้ขอคิดตอนมาสันจังหารตอนเท้าก็ให้ขอคิด ตอนมาฉันจังฉันกลางวันก็ให้ขอคิดวางนี้แทพไม่ได้มาเพราะว่าไปหาหมอเพราะว่าหมอนัดก็จะไปแต่นัดวันที่ยี่สิบจะเลยไม่ได้ไป่วันที่ยี่สิบวันนี้เป็นวันที่ยีสิบเจ็วันนี้เป็นวันที่ยีสิบสองก็เลยไม่ได้พูดให้ฟังตอนเย็นะพูดตอนเท้าแล้วกับตอนเท้าสันตอนเท้าทำวัดก็พูดให้ฟังตอนเท้ามาฉันก็พูดให้ฟัง ตอนมาสั้นเหต่างวันกขาพูดให้ฟังตอนเย็นก็ตั้งใจว่าจะพูดก็เลยได้ไปโรงพยาบาลโปรดเด็พูดตอนเช้าวันนี้ก็พูดให้ฟังดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งออตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าพูดอย่ า, ยาคุยกันไม่ต้องอาศัทยใครทั้งหมดเมื่อมีธุระอะไรต่างๆก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนําวิธีการปฏิบัติให้ดังนั้นการเจริญสติแบบนี้ ไม่นานรับรองว่าไม่ถึงเจ็ดปีตํารำาบอกว่าเจ็ดปีแต่รับรองบอกว่าไม่ถึงเจ็ดปีแต่ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีเพียงไม่มีทุกนี่แหละหลอกได้เมื่อรู้จกักสมาธรรมฐานแล้วผ่รู้จักวิปัสนาถอนรากถอนโคนมาจริงๆขั้นที่หนึ่งคือทําลายโทสะโมหโะโลภะนี้เดี่ยวเป็นตัสมัสาน ขั้นที่สองเรียกว่าทำลายกิเลสปัญหาอุปาทานนี้คือขั้นที่สองเรียกุ่าติญญารขั้นที่สามสิงปรากฏเกิดขึ้นทำลายกิเลสเรียกตามมาสวาภาสวะอาติวิสาสวาทํ า, ว า, ว า, า, าวทความรู้แจ้งอันนี้เรียกว่าตาติญญ า, ารังจตุทัานม์มาเนยคือเรารวบรว ม, รวมรรความรู้เรื่องการทําดีการทําั่ว มาให้เห็นอยู่ประชิญหน้าเราแต่ไม่ใช่ประเชิญนางดีคือใจมันจะเห็นใจมันจะรู้เมื่อใจมันเห็นใจบรรลุมันจะสะดุดมันจะปัวหรือมันจะเป็นยังไงไม่ทราบมันจะพยายามเรียกว่าจะตูกิรกลรวมไปทั้งหมดเลยเมื่อสิ่งเหล่านั้นขาดจากกัรภาวะสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นปัญจมาไมันจะปรากฏอย่างนั้นจะลุยเองไม่ต้องถามใครที่ไหน ไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนกับตำรัตตำลาก็ได้อันนี้เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้มีเงินมาปฏิบัติก็ได้ไม่มีเงินมา<ม>ปฏิบัติก็ได้มีความรู้ปฏิบัติก็รู้ไม่มีความรู้ปฏิบัติก็รู้ไม่ใช่ได้นะรู้แต่ได้ก็ว่าได้เจอได้ไม่เห็นเอามาให้ดูก็เรียกว่าเห็นก็ได้แต่มันเห็นมันรู้มันได้ได้สิ่งที่ไม่ควรได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นรู้สิ่งที่ไม่ควรรู้เรียกว่าอัศจรรย์เป็นมหา เป็นมหาใหญ่ที่สุดเนี่ยอะอาสาจัญมากที่สุดมีแล้วในคนทุกคนสิ่งเหล่านี้จะปรากฏให้ทุกคนแต่ยังไม่ปรากฏเดียวนี่ก่อนจวนจับหมดลมหายใจจวนจับหมดลมหายใจสิ่งเหล่านี้ต้องปรากฏแน่นอนที่สุดเนี่ยเข้าใจยังไงอันนี้เนี่ยของจริงมีอยู่ในคนทุกคนเรียกว่าตัดจะทำเนี่ยวาทุกครังอันนี้จังนะักตามมาถึงขั้นเป็นตอนมาเมื่อ จิตใจเปลี่ยนข้างหนึ่งก่อนรู้จักทุกขังอนิจจังนิพพานรู้จักรูปนามก่อนรู้จักทุกขังอนิจจังนิพพา น, นาจิตใจเปลี่ยนข้งที่สองก่อมีทุกขังมีอนิจจังนิพพา น, นาเมื่อสินรากฏขึ้นมาจิตใจเปลี่ยนข้งที่สามเขมีทุกขังอนิจจังนิพพาเหมือนกันเมื่อมันมารวมตัวเขาเรียกว่าจัตุทัศน์ก็มีทุกขังอนิจจังนาเหมือนกันเมื่อจิตใจพบกับภาวะม่ว่าตันจา่าคงฆ่าเนี่ยก่อนมีทุกขังอนิจจังนาเหมือนกันมันพ้นไปจากภาวะอ น, นันต์แหละ ที่เราตรวกสำรวะจิตเราถึงแล้วถึงสภาพอะไรที่ปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแต่มันเป็นขั้นเป็นตอนไปไม่ใช่เราตรวจอย่างนี้ในจิตเราหลุดคนไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจเป็นอย่างนี้นที่นามาเราให้ฟังวันนี้ขอเห็นว่าสมควรเก็บเวลาแล้วพราะพูดความจริงเยบางคนพูดความจริงให้ฟังให้ชอบถ้าโกหกหลอกลวงนี่เดียวคนเชื่อไปดังนั้นคนต้องการความจริงเอาของจริงให้ไม่เอา อย่างที่นักบทคนหนึ่งเรื่องอระภารสิวกเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดความจริงให้ฟังแหลกลีดนะครับไม่เชื่อฟังเลยพวกเราก็คลายคล้ายเหมือนกันเลยแก่ต้องการควมจริงพูดควาจริงให้ฟังโอ้ยมันไม่ถูกต้องกัตบตำรับตำราเราเคยเรียนมาแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยฟัแบบนี้คนพูดความจริงให้ฟังแบบไม่เชื่อมันเป็นอย่างนั้นถ้าหลอกลี้เดี๋ยวจะเอาเชื่อทันทีมันเป็นอย่างนั้ น, ออ น, น, น, นดังนั้นพวกเราอย่าเป็นคนอย่างนั้น ต้องเป็นคนจริงกตด้วยพูดกกจริงทําก็จริ ง, รงอย่าหลอกแหลอย่าหลอกตัวเองถ้าหลอกแหละหลอกตัวเองแล้วก็ไม่ได้ผลเรื่องนี้ดังนั้นการเทศการสอนหรือการแนะนำการตีทางวันนี้ก็เห็นว่าสณะส่นเกียวไดยเลยอาตมาพร้อมด้วยพระสง์และญายยติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนาสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงอาค์ของพระพุทธเจ้า แต่ไม่ใ่พระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียคุณนะพระพุทธเจ้ามีในคนทุกคนนี่แหละขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตังสอนขององค์สมเจด็จพระธรมมาสัมพุทธเจ้าและขออ้างอิงเอาคุณของพระอรหันตาสาวกพระธรมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้พบเอาคือมันมีอยู่ในเราแล้วต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอยู่ที่ตัวเรา มีทุกคนพระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้ผู้เห็นนั่นเองพระธรรมคือทางการคำพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตรมนั่นแหละ<ม>ให้เราได้พบได้เห็นเอาในชีวิตนี้ให้เราพ้นไปจากคมทุกในวัฏระสงสารในเขาวนี้จงทุกท่านทุกคนเถิอ เพื่อนที่สุขธรรมนเนรสันไปเรื่อยๆแล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเจริญรับประทานอาหารไปเรื่อยๆไปแล้วก็ฟังหลวงพ่อพูดไปบางสิ่งบางอย่างพอจําได้บางสิ่งบางอย่างพอจําไม่ได้เพราะมันมี ทำงานสองประเภทนีว่างานสันและงานฟังดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยี่สิบแปดตรงกับวันขึ้นห้าค่ำเดือนสี่ ที่เราเปิดอบรมตั้งแต่วันที่20ตอนเย็นมาถึงวันที่23ตอนเช้าวันนี้ก็พูดธรรมะให้กันฟังมาทุกวันทุกวันวันนี้ก็จะพูดธรรมะเช่นเดียวกัน <c oughs> คำว่าธรรมะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจ เมื่อพูดถึงธรรมะก็จะพูดถึงเรื่องอานิสงส์ก่อนเบื้องแรกอานิสงส์การเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือเจริญอวมรู้สึกนี้มันทำให้ตัวเองซาบซึ้งตึงใจสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นมาเรียกว่าอานิสงส์ของการเจริญสติ การเจริญสมาธิเจริญปัญญาหรือว่าอานิสงส์ของการทําความรู้สึกตัวว่าอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ดังนั้นเมื่อสมัยเป็นเนมได้อ่านหนังสือเรียกว่าเทพแต่ความจริงอ่านหนังสือไม่ใช่เทพเมื่อตัวหนังสือมีกะอ่านได้ เทก็คืออย่างที่ตัวของผมหรือตัวอาตมาพูดอย่เดียวนี้นี่แหละพูดไปตามความคิดเห็นหรือความเข้าใจของตัวเองนั่นเทวเทศนือแสดงนรืออธิบายให้บุคคลที่ฟังบุคคลที่ฟังนั้นบางคนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังหรือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นไม่เข้าใจก็จะเข้าใจให้ทราซึ้งถึงใจได้ ตัวของผมหรือตัวของอาตมา <c oughs> สมัยเป็นเนนเมื่อไปสันอาหารในบ้านนีว่าทาบุญเสียข้าวไปเทพอ่านหนังสือน่ให้โยมฟังหนังสือเรียกหนังสือสองสัปทานหรือสองข้าวแย่เนี่ยพูดกันอย่างนี้นเทพอ่าอานิสงส์ของการให้ทานคือตักบาดตอนเ้าได้อา น, นิสงส์ หกับวนบันนี้ตอนที่ไปให้อาหารตอนเช้าได้อันนี้สองห้ากลับไปส่งอาหารตอนกลางวันให้พระให้เนนสันได้อั น, นิสองสี่กลับกับนั้นก้วงร้อยโยดลึก้อยโยดร้อยปีของเทวดาจึงจะมาเป็นร้อยปีของมนุษย์จริงจะไปเป็นปีหนึ่งของเทวดาเป็นั้น เรือพูดที่แรกมันหลงลอยปีของเมืองคนจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาจะเ อ, อาเล็กงาไปทิ้งใส่ลงบ่อลงเหวที่มันว่างกว้างรอยโยดลึกรอยโยดยเนี่ยจนเต็มถ้าเตียนเหมือนหน้าฟองก็เป็นหนึ่งตับไว้ถ้าเป็นหลงถ้านับทางสูงัปเนี่ย พ่วงลอยโยอสูงรอยโยอดร้อยปีของเมืองคนจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดายึางเอาผ้าอ่ อ, อนออนหรือผ้อย อ, อ่อนอๆนี่ไปปวดไปปั ด, ปปดให้ดอยให้ภูเขาอันนั้นลากเตียนเหมือนหน้ากองนึนกว่าเป็นหนึ่งกลับบัด น, นี้เราไปตักบาตรเพียงครั้งเดียวมีอันนี้สงหกกลับ ทุกคนได้ไปตัก บ, บาตร ท, ทั้งนั้นที่อยู่ที่นี่บัด น, นี้ตอนที่ไปให้อาหารตอนเช้าให้ผ้าให้เดงกับทุกคนต้องได้ทํามาแล้วมีอันนี้สงฆ์ห้ากลับบัด น, นี้ตอนกลางวันได้เอาอาหารไปให้ผ้าให้เดงตอนกลางวันมีอันนี้สงฆ์สี่กับบันนี้เราไปเกิดเป็นเทวดามนนี้ <c oughs> ก็ต้องมีอายุยืนมาก ตั้งห้าสิบหกสิบปีเานปีเทวดาไม่ใช่ปีของมือมนุษย์นะ <c oughs> หรือว่าห้าร้อยปีห0ร้อยปีมันตา่างกันดังนั้นที่แรกไม่เข้าใจฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดก็ไม่เข้าใจเรียกว่าเรายัางไม่รู้ยังไม่เข้าใจเพียงจดจำได้กับตัวหนังสือเท่านั้นเองเมื่อไปเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาทำความรู้สึกตัวทำความตื่นตัวนี่เกิดนี่ความสำนึกขึ้นมาเข้าใจได้ที่คำพูดเหล่านั้นพูดให้คนมีปัญญาฟังคนไม่มีปัญญาฟังก็ไม่รู้ดังนั้นอาตามาหรือผมจะนำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ระดับสติปัญญาก็ไม่เหมือนกัน บางคนอาจได้ยินแล้วเข้าใจแล้วก็มีบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังก็มีบางคนได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีเป็นอย่างเมื่อเข้าใจคำว่ากลับหนึ่งนี่ทีแรกเข้าใจว่าวันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงก็คำไปบัดนี้ชีวิตของคนเกิดมาเแยไในชีวิตนี้ ตั้งแต่หลอดลุกจากคล้องแม่มาอายุสิบปียี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีร้อยปีตายไปกีมีเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นทีแรกแบบนี้เรื่องกลับเรื่องกันนี่คันมาตรพ่วงรอยโยธลึกรอยโยธร้อยปีของเมืองคนจึงจะไปไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาที่เอาผ้าเอาเอามะเล็งงาไปทิ้งใส่ ในบอ่อในเหวนะให้มันเต็มแล้วพอเป็นหนึ่งเ่าบัด น, นี้อายุของคนร้อยปีไม่ได้ทิ้งเศษเพียงเม็ดเดียวก็มีบางคนเป็นยางไงและบัด น, นี้มาเทียบเอาตัวเองกําลังนั่งพิจารณาด้วยตนเองมาเอาตลับเป่ายากระเพ า, าตลับเป่ามันไปไว้ข้างที่นอนนอนตื่นมาอทิ้งเศษบัลลังก์เม็ดตื่นมาอาทิ้งเศษบัลลเม็ด จนตายก็ยังไม่เต็มมา็ดงานเอ๊ะคำพูดอันนี้มันทราบซึ้งจริงๆแล้วทำยังไงมันจึงจะเต็มก่วงรอยโยศกันดิสองคืบเป็นหนึ่งศอกสี่ศอกเป็นหนึ่งวายี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้นยี่สิบห้าเส้นเป็นหนึ่งกิโลเดนี้สี่กิโลเป็นหนึ่งยดอ่าเป็นเป็นหนึ่งยศสี่ร้เส้นเป็นหนึ่งยศนะสี่กิโลเป็น สี่ร้อยเส้นเป็นดึงโดสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่เส้นเป็นงโนยดสิบหกกิโลนนน 14, 14, 100, 100เ น, ลนะเนล่บันนี้400สี่สี่สิบหกร้อยกร้อยเส้นเป็นสี่กิโลเน่ยร้อยเส้นเป็นสี่กิโลบันนี้สี่ร้อยเส้นเห็นไหมเป็นดึงโยดบันนี้เราคิดดูเนี่ยเพียงยากระพะกับเดียวเนี่ยไม่เต็มบันนี้เราเดินไปเนี่ย พวอยโยดรอยโยดเป็นกี่กิโลต้องเป็นพันพันหกร้อยใช่ไหมเท่าไหรอยโยดเนี่ยเนี่ยสิบหกกิโลเป็นเท่าไหร่ พันหกกิโลนะพันหกร้อยกิโลมูลพลนับพันหกร้อยกิโลจึงจะเป็นเป็นหนึ่งกับวันนี้เราจะเอาเมล็ด ง, งาไปทิ้งเรรถยนต์วิ่งก็เกือบไม่ถึงและเจะเอาเลียงเม็ดเลียงเม็ดแต่ก็ไม่ถึงนี่อาจจะมาไปคิดอยู่อันนี้มันจะจะพูดกันยังไง ได้มาพิจารณาตัวเองพลิกมือขึ้นพุ่มมือลงยกมือไปเอามือมาเอะอันความรู้สึกที่มันน้อยที่สุดมองไม่เห็นอีกด้วยเอะมันอาจจะเป็นความรู้สึกนี่แต่มั้งเข้าใจอย่างนี้่เออความรู้สึกความตื่นตัวเนี่ยความไม่รู้สึกความไม่ตื่นตัวมันก็หายไปอันมันอันมันก่วงที่มันไม่รู้สึกตัวนี่นนที่ว oh ่ามูฮะ เกิดมีความทราบซึ้งตึงใจไปอย่างไรก็คือคนไม่มีสติควบคุมกายวาจาใจมันก็เลยกว้างเพราะโมหะโะโลภะมันเป็นเจ้าของอยู่ที่ตรงนี้บัด น, นี้เอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาหรือเอาความรู้สึกความตื่นตัวนี้เขาเยยัดที่ตรงนั้นโมหะก็หายไป โลภะก็หายไปโทสะก็หายไปโอ้ความรู้สึกความตื่นตัวการเจริญสติการเจริญสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยมันเต็มโกลับหนึ่งก็หมายถึงคนที่มีสติไม่ให้โทสะโมหะโลภะเข้ามาที่นี้ก็เลยเป็นกลับหนึ่งโอ้กับหนึ่งนี่มันเท่านี้เองนี่มันเกิดมีความทราบซึ้งตึงใจขึ้นมาอย่างนี้ เทวดาก็คือทิศจิตคือคือที่จิตใจเราปกติจิตใจเราสะอาดสว่างสงบนั่นแหละเราจึงรู้สึกตัวคารเคลื่อนไหวในตัวเองเนี่ยเข้าใจอย่างนั้ น, นถ้ากว่วงรอยโยต์สูง้อยโยต์ร้อยปีของเมืองคนจึงจะเป็นปีทิศของเทวดาหนึ่งปีเท ว, วดาจึงเอาไม้ปัดหรือผ้าอ่อนๆไปกวด ไปปัดให้ภูเขาหรือดอยอันนั้นลาดเตียนลงมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันโสภาโมหะโลภะมันสูง <c oughs> ไม่มีอะไรจะเทียบทันมันได้ก็เทวดาก็คือสติสมาธิปัญญาหรือจิตใจของเรานี่เองเข้าไปทำความปราบมันทำความสาดให้มันให้มันต่าลงมา มันก็เลยลาบเปลี่ยนลงมาเพราะมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดถ้ามันกว้างมันว่างก็หมายถึงโมหะถ้ามันสูงมันโตมันใหญ่ก็หมายถึงโทสะาะมันหลักสณะเดียวกันเมื่อมีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือมีความรู้สึกความตื่นตัวนี่แหละเข้าไปอยู่ที่นมดกุลิเป็นนี่หมายถึงกัปหนึ่งที่เทตัวของผมหรือตัวอะตมาเข้าใจอย่างนั้น แต่ก่อนไม่เข้าใจมือตื้ออยู่วันนึกว่ามันกว้างลอยโยดจริงๆทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะกรรมฐ า, านจเจริญวิปัสนามาพอสมควรแต่ไม่รู้อันนี้แหละอาเนสงของการทําผมรู้สึกตัวสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมันก็เข้าใจขึ้นมาการให้ทานรักษาศีลอันนั้นมันเป็นเรื่องของโลก การอนุเคราะห์สงเคราะห์หรือให้ทานหรือบำรุงหรือว่าส่งเสริมหรือว่าจะว่ายังไงก็ได้อนาถเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรที่ศึกษาและควรปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจแต่เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างนี้เรากดเสื้อตามตามเขาไปเขาพูดยังไงก็เสื้อไปนี่เกิดมีความทราบซึงตึงใจเรื่องอับเรื่องกัน เรื่องอนิสง์ของบุญของกุศลเหล่านี้เคยพูดให้ฟังบ่อยๆทีแรกก็ต้องรู้ลูกน้ำรู้ลูกทำรู้น้ำทำรู้ลูกโลกรู้น้าโลกโลกเนื่อหมายถึงความทุกข์เปงั้นหมายถึงความแตกเผ็เมื่อรู้จักลูกโลกน้ําโลกแล้วก็รู้จักทุกครั้งอนิจจาอนัสตาทุกความหมายถึง กานเคลือนน่อนไหวพนิจําก็ไม่เที่ยง ม, มันติดอยู่กับรูปนี่เองพนัตตาบังคับบรรดาไม่ได้มันเคลื่อนไหวมันนึกมันคิดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาปอย่างนั้นจากนั้นมันก็เลยรู้จักสมมุติสิ่งที่สมมุติขึ้นอาตมาเคยพูดลึกสงเคยพูดให้รู้จักให้ทั่วถึงจริงๆถ้าไม่รู้จักทั่วถึงแล้วเราจะมีความห้องแวะและสงสัยสิ่งที่สมมุติขึ้นมานั้นก็เลยรู้จักสมมุติจริงๆมันสมมุติพูด ขับหนึ่งพ่วงลอยโยดลึกร้อยโยดวันนี้ร้อยปีของเมืองคนจึงจะเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาจะเอาเมล็ดงาไปเที่งอันนี้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันแต่ให้คนมีปัญญารู้จักการเคลื่อนไหวนี่เองวันนี้พูดทางสูงพ่วงลอยโยดสูงลอยโยดร้อยปีของเมืองคนจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปี เทวดาจึงเอาฟอยหรือผ้าอ่อนๆไปโกดไปปัดภูเขาอันนั้นให้มันลาดเปลี่ยนลงมาอันนี้ก็เป็นสมมุติเหมือนกันแป็นอย่างนั้นสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติอะไรๆสมมุติทั้งนั้นเงินหองหรือพญา้านกำนันครูปัสบาลมีสมมุติขึ้นมาสมมุติแล้วก็ต้องบัญญัติขึ้นมาเป็นตัวบทกฎหมายตัวมีสมมุติเป็นปรามัดตก็มีสมมุติเป็นอัฐาตัวมี ยังบอสมมุติบัญญัติและปารมัดบัญญัติอัฏฐะบัญญัติอริยบัญญัติต้องศึกษาให้รู้บัญญัติตีข้อนี้จริงๆการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาและทําความรู้สึกตัวนี่มันสามารถที่จะให้ตื่นตัวรู้มาจริงๆเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้ท่างอินเอากับตำราตำลาที่พูดวันนี้ก็จะไม่ ไม่ถูกตรงกับตำร า, าแต่พิจารณาได้คนมีปัญญาเป็นอย่างไ น, นเมื่อรู้จักสมมติดีแล้วพอรู้จักศาสนาศาสนาแปลว่าคําสอนหรือคําสั่งสอนของท่านผูรู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นํามาสอนเรื่อง น, นอั้นวันนี้ศาสนาแปลที่เพิ่งพุทธศาสนาแปลว่าผู้รู้เมื่อรู้จริงเนี่ยจึงว่ารู้ให้ั่วถึงจึงเป็นพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้น เมื่อรู้อันนี้แล้วก็เลยรู้จักบาปรู้จักบุญบาปก็คือโง่นั่นเองคือมืดคือไม่รู้เสื้อตามตามเขาไปเขาพูดอะไรก็เสื้อไปเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นบุญแบบ น, นี้คือการรู้แจ้งเห็นจริงรู้แล้วไม่ต้องงอนแง่งคอนแทนให้จะพูดเรื่องอะไรก็เป็นธรรมดามันเรื่องสมมตริรู้จากสมมุติจริงๆเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงว่าโอการเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญามีอั น, น้สงฆ์มากที่สุดดังนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ศาสนาของเราตถาคตจะเจริญงอกงามมั่นคงก็ต้องอาศัยบริสัทธิี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินยัยก็พุทธศ า, าสนาองมั่นคงต่อไป บัด น, นี้ในทางตรงกันข้ามพุทธศาสนาของตถาพจน์นี้หากภิกูกุนิกูุนในอุบาสกอุบาสิกาไม่ประพฤติดีไม่ปฏิบัติทอบไม่อยู่กับพระธรรมวินัยแล้วพุทธศาสนาของอันตรธานหายไปว่ายางน้นบัด น, นี้เมื่อมาพิจารณาบริษัทเนี่อีกค่นพักหนึ่งวันนี้ก็ต้องวาเป็นหัวข้อเป็นพั ก, พก เพื่อให้มันสั้นจับใจความให้มันได้เป็นอย่างนั้นภิสูซกับผู้ตายเป็นบริษัทหนึ่งนี่เพราะว่าผู้ตายพิกษูนีกับอุบาสิกาเป็นบริษัทหนึ่งสองบริษัทถ้าจะพูดภิกษุภิกษูนีอุบาสุปชิกาเนี่ยมันเป็นสองบริษัทด้วยกันอบริษัทสนี่คือบุคคลที่รู้กับบุคคลที่ไม่รู้บุคคลที่สอนกับบุคคลที่ไม่สอน มันอาจจะเป็นสี่ข้อนี่ก็ได้เลยเกิดมีความสำนึกขึ้นมาในใจตัวเองว่ะ <c oughs> โอ้บริษัทหนึ่งสมมุติเอาเองสมมุติตัวของผมหรือตัวตวมาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ให้ทราบซึ้งคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่รู้จริงๆไม่รู้อะไรเป็นการให้ทานอันใดเป็นการรักษาศีลอันใดเป็นการทําสมาธิอันใดเป็นนิพพานาอันใดเป็นความสงบของสมาธิ อันไหนเป็นการสงบของวิปัสนาไม่รู้อันนี้ <c oughs> เที่ยวเทศเที่ยวสอนญาติโยมหรือบุคคลที่ยังไม่รู้เนี่ยคนนั่งก็ดเสื้อฝังใส่ก็ต้องปฏิบัติไปบริษัทนี้แหละทำให้พุทธศาสนาจิบหายไปอันตรธานไปเพราะไม่รู้ก็ไปเทศไปสอนไปในเกิดมีความเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้โทษคนนั้นคนนี้แต่ดีแล้วพวกเราทาเนี่ยดีแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าดีแล้ว เทศสอนกันทุกวันดีดแล้วดังนั้นพุทธศาสนาของเราจริงๆนั้นเหลือจะกระดูกมันเนื้อแท้นมีน้อยที่สุดดังนั้นเรากินอาหารจึงให้เลือกกินถ้ากินอาหารไม่เลือกนะ้มันจะไปติดคอเราคือปีดูกระดกก้างถ้าเนื้อล้วก็กินเนื้ออย่าไปกินดูกถ้าปลาก็อย่าไปกินข้างถ้าไปกินข้างกินดูกมันมน่ะมาติดคอเราติดคอแล้วก็เอาออกได้ยากเป็นอย่างนั้น ดังนั้นเรื่องอุปท า, านจึงเป็นเรื่องสำคัญมันติดเป็นเมื่อเข้าใจอย่างนั้น <c oughs> เมื่อมีความรู้ราดซึ่งตึงใจสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เลยเกิดมีความเข้าใจว่าถ้าหาบริษัทที่สองแต่ไม่รู้ไม่สอนใครอยู่ไปอย่างนั้นแหละกับพักกับพวกไปบริษัทนี้ ไม่ทำให้เสื่อมและไม่ทำให้เจริญเกิดมีความเข้าใจอย่างนี้ก็คนคนนี่แหละจะเป็นผู้หญิงก็าตามเป็นผู้ชายก็าตามเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าวกว็าตามเป็นให้ว่าเป็นคนเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นสมัยนั้นไปปฏิบัตธิธรรมเป็นโยมเป็นฆรวาสนุ่งกางเกงขาสั้นบ้างกางเกงขายาวบ้างนุ่งเสื้อแขนสั้นบ้างนุ่งเสื้อแขนยาวบ้าง ค่าวนั้นยังไม่ได้บวชสมมติเป็นพระสงฆ์อันนี้ยังเป็นฆราวาสอยู่ก็รู้เหมือนกัน<อ>ถ้าทำให้มันถูกมันตรงแล้วมันเกิดเข้าใจได้จริงแต่คนอื่นนั่นจะไม่รู้ก็ได้จะรู้ก็ได้เพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเราจึงสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจของเรารู้เราเข้าใจนี่ไปอธิบายหรือไปสอนหรือไปพูดให้เพื่อนๆนฟัง วันนี้คนนำมาพูดให้พวกเราฟังบ ร, บริษัทที่สองไปแล้บริษัทที่สามบันเนี่ยไปทำตัวเองให้รู้จเจริญตัวเองให้รู้ให้เข้าใจแล้วไม่เทศไม่สอนหนีไปอยู่คนเดียวอยู่ถ้ำอยู่หูอยู่ป่าอยู่โดงกูแหลกถึงเวลาก็มาบินทบาตบ้างหรือมีคนเอาไปถวายบ้างแต่ไม่เทศไม่สอนบริษัทนี้ก็ไม่ทำให้จเจริญและไม่ทาให้เสือ่อม จะเรินแต่เราคนเดียวเคยพูดให้ฟังเรื่อยมาเรื่องโมนี่บันนี้บริษัทที่สี่นี่เนี่ยต้องศึกษาและปฏิบัติตัวเองให้รู้ให้เข้าใจทราบซึ้งตึงใจแล้วนำไปเทศนําไปสอนตามวิธีที่เรารู้มา น, นั่นแหละเราทำอย่างนี้อย่างนี้จึงรู้อย่างนี้อย่างนี้บริษัทนี้เนี่ยทำให้พุทธศาสนเจริญงอกงามขึ้นมาได้ ดังนั้นพุทธศาสนาประจําชาติไทยจริงๆแล้วน้อยที่สุดที่เราทําวัดเซ้าวัดเย็นกันนะ่ะว่าพระธรรมของพระศาสดาสว่างเปรียบดวงพระที่น้อยคนพูดของจริงแต่เมื่อพูดของจริงให้ฟังแล้วคนผูกฟังก็ไม่ต้องการอีกแล้วแต่มักลอกเอาคนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าลอกเอาโกหกเอาอได้อย่างนั้นดังนั้นคนเรามันไม่เหมือนกัน พวกเรามาที่นี่สั้นปัญญาชนทางนั้นแต่ฟังแล้วเอาไปพิจรารณาอย่าพึ่งเสื้อคาพูดของผมหรือของอาตมาอย่าพึ่งเสื้อให้ไปพิจารณาเองและกระเจริญตัวเองให้เข้าใจจริงๆพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้ว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแหงนั้นจะว่าแหงนั้นก็ได้แหงนี้ก็ได้แล้วจึงนำมาสอนพวกเธอ ถ้าหากพวกเธอปรับพฤติปฏิบัติอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้อย่างเราตถาคตนี้ถ้าหากไม่ปฏิบัติอย่างเราตถาคตแล้วก็จะไม่รู้อย่างเราตถาคตเลยบันนี้เราก็เลยเข้าใจว่าเจ้าสายสาิทธะปุหมา น, นีนะ่เป็นพระพุทธเจ้าต้องให้ทานรักษาศีลไปบวชกันแหี่อันนี้ก็ซื่งว่าเราทํากับพระพุทธเจ้าทําตามแบบพระพุทธเจ้านี ให้ทานรักษาศีลเหล่าเนี้ทํากรรมฐานเหล่าเนี้นึกว่าเราทําตามแบบพระพุทธเจ้าตัวของผมเองตัวของอาตมาเองเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างิ้ศีล <c oughs> บวชนาเคกองหดอัฐกันถิ่นทําบุญบ้านทันนึกว่าเจ้าของทําตามพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างนั้นร้อยเปอร์เซนตจริงๆเมื่อมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วอันนั้นเป็นการทําดี ไม่ใช่ทำตามแบบพระพุทธเจ้ามา น, นึกได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดสั้นๆนะวันนี้แต่พูดเอาใจความมันเท่านั้นเองเมื่อกินข้าวนางสุตดาแล้วก็จับเอาขันหรือธาตุนั้นไปอธิษฐานตามดินแม่น้ำว่าถ้าหาข้าพเจ้าจะได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าวางธาตุหรือขันใบนี้ลงไปบนผิวน้ำนี่ให้ธาตุใบนี้ละทวนกระแสของน้า ในทางตรงกันข้ามถ้าหากอย่าไม่ได้ตัดสู่เป็นพระพุทธเจ้าให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำอันนี้ก็ไม่เข้าใจนึกว่าเป็นน้ําจริงๆเนี่ยเข้าใจอย่างไ น, นเมื่อมาพิจารณาดูแล้วโอ้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านพ้นกระแสของความคิดน้ําคือความคิดมันไหลไปตามกระแสความคิดโอ้โห oh. มันเป็นอย่างนี้นี่อานิสงส์ของทำความรู้สึกตัวอานิสงส์ของการเจริญสติ จะเลินสมาธิจะเลิญปัญญามันสามารถที่ให้รู้สิ่งเหล่านี้ที่ยังไม่เคยรู้มันก็รู้ขึ้นมาชัดเจนและมันก็ไม่หลงไม่ลืมมันก็เห็นอยู่จากนั้นตลอดเวลานี่แหละจึงว่าเสื้อมัน่นปัทธาเสื้อสิ่งที่ฝวนเสื้อยิ่าตนเป็นที่พึ่งของตนจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้เรียนหนังสือมากๆรู้ไหมไม่รู้มีเงินมากๆไปทําบุญมากๆรู้ไหมไม่รู้เข้าใจจากนั้น และเป็นคนจนรู้ไหมไม่รู้เป็นคนรวยรู้ไหมไม่รู้ถ้าไม่ทําบัด น, นี้คนจนก็รู้ถ้าทําคนรวยก็รู้มีความรู้ก็รู้ไม่มีความรู้ก็รู้ถ้าเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้ถูกต้องจริงๆทําความรู้สึกให้ถูกต้องจริงๆรมันเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นเมื่อมารู้อันนี้ก็ต้องอการดูความคิดมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกับเม็ดฝน หรือเม็ดน้ําน้ํามันหยดลงมาตั้งแต่ บ, บนฟ้าบ้านหลวงพอเลี้ยวถึงฟ้าหยดลงมาทีลเม็ดแล้วไม่กอดตามดินมันสูง ม, มันจะค่อยซึมซึมลงไปหาที่ต่ําน้ำฝนเนี่ยดังนั้นคนทุกคนนี่ก็เหมือนกันถ้าหากดูความคิดเนี่ยมันจะค่อยไปไหลไปไหลไปมันจะลู่ความคิดทีแรกมันก็ไม่รู้มันก็จะลู่เข้าลู่เข้าลู่เห็นเข้าใจ มันคิดเห็นรู้เข้าใจความคิดมันถูกอยูุ่อ oh. วัฏฏะวงกลมวัฏฏะสงสารมันอยู่ที่ตรงนี้มันหมุนอยู่เหมือนนาฬิกานี่เองความคิดเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้น mm. ก็เลยมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เนี่ย mm. เมื่อเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก็ mm. เ, เลยเกิดรู้วัตถุวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นอกตัวก็ได้นอกในตัวก็ได้เนี่ยวัตถุ เป็นต้นไม้ภูเขาห้วยหนองคองบึงดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุทั้งนั้นเพราะมันมีมีอยู่นปัญมัดบัญญัติหมายถึงเรารู้เรารเห็นเร า, ราเข้าใจสิ่งที่สมมุติก็เข้าใจสิ่งที่เป็นปัญญามัดก็เข้าใจสิ่งที่เป็นอัฏฐาก็เข้าใจสิ่งที่เป็นอริยะก็เข้าใจที่ว่าสมมุติบัญญัติและปรมัดบัญญัติอัฏฐาบัญญัติ อ, อ ร, ตริรยะบัญญัติบัญญัติขึ้นมาสี่ข้อนี้ ควรรู้ควรเห็นควรเข้าใจอันนี้แหละเป็นสมบัติของมนุษย์จริงๆมนุษย์กับคนจึงไม่คือกันไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันหน้าตาแต่จิตใจไม่เหมือนกันเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นเมื่อรู้จักปานามันกน็เลยรู้จักว่าคือปัญญรู้จักอาการเหมือนเห็นอาการสภาพควรเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นอย่างนี้เนี่ย เข้าใจอาการที่มันเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้จิตใจกว่าชิ้นเดียวกันอ๋อเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทุกคนเหมือนกันคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคนคาเมนคนยวนคนลาวะคนอินเดียก็เหมือนกันเหมือนกันมีจิตมีใจเหมือนกันก็ต้องรู้เหมือนกันอ๋อพระพุทธเจ้าท่านอกว่าเราตถาคตไปถึงแล้วแห่งนี้หรือแห่งนั้นท่านไม่ได้เดินด้วยรถยนต์ และไม่ได้เดินด้วยเท้าไม่ได้ขึ้นเครื่องบินไม่ได้เดินรถไฟท่านคนนางบัมเพนผู้รัฐทางกฤษท่านก็เลยรู้เห็นดีว่าการตัดรู้ของพระพระเจ้านั้นเพราะการทําทางจิตทางใจทำไวยอย่างนั้นอันนี้ก็พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังและครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังแต่ไม่เข้าใจนี่มันเป็นอย่างไงเมื่อมาเข้าใจสิ่งเหล่านี้จึงว่าอานิสงส์ของการเจริญสตินี่สําคัญดังนั้นพวกเราไม่ให้ไม่ให้พลาด ไม่ควรพลาดวยังนั้นก็ได้เกิดมาเป็นคนไม่ควรพลาดถ้าพลาดแล้วมันจะขาดพุนกําไรชีวิตไม่มีเลยถ้าเราได้เจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาทําความรู้สึกตัวตื่นตัวตื่นใจหยุดเสมอมีกําไรชีวิตอันนี้เข้าใจอย่างนั้นบัดนี้เมื่อรู้อันนี้ก็เลยเวทนาไม่ทุกข์สัญญาไม่ทุกข์สังขารไม่ทุกข์ปัญญาไม่เพราะมันไม่หมุนถึงกันแล้ว มันไม่เป็นวัตตะดังนั้นวัตตะสงสารของคนสลาดกับของคนไม่สลาดนี่ไม่เหมือนกันคนที่ไม่สลัดก็ตายเน่าเข้าลงนะ้ะเป็นเหมือนวนมาเกิดสัตว์หน้าสาดัดหลังไปบัด น, นี้วัตตะของคนที่มีปัญญาของคนรู้หมายถึงจิตใจมันนึกมันคิดมันหมุนอยู่เหมือนอฬิกานั่นเองมันเกิดมีความซาบสึงตึงใจอย่างนี้ที่พูดนี้จะนําไปใส่ก็ได้ไม่นําไปใส้ก็ได้ เมื่อโทสะโมหะโลภะลดน้อยลงไปแล้วคนก็ทุกข์น้อยขมจุกมีมากเมื่อโทสะโลภะโมหะนี่เต็มบ้านเต็มเรือนอยู่แล้วคขมสุกก็มีน้อยมีแต่ขมทุกมากดังนั้นเราจะเอาขมทุกหรือเอาขมสุกหรือเอาอะไรเนี่เราเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นมนุษย์กับคนนี่จึงไม่เหมือนกันเรื่องที่พูดนี่มันไม่ใช่เป็นสมบัติของคนธรรมดาสามัญ น, นะเรียนหนังสือมากๆมีเงินหลายๆ ก็ยังเป็นคนธรรมดาสามัญก็ได้แต่คนไม่ได้เรียนหนังสือเนีลยไม่มีเงินอาจจะเป็นมนุษย์ก็ได้แต่าการพัฒนาถนนหนทางนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งการพัฒนากิเลสนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งมันคนละเรื่องกันดังนั้นเรามาจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาหรือว่ามาอบรมนิพพานาว่าจะนั่งก็ได้ที่วัดสนามไหนเนี่ย